นี่มาขึ้นปฏิสัมพิธามมัจต่อนะมัจแปลว่าทางปฏิสัมพิธานี้แปลว่าแตกฉานความแตกฉานปฏิสัมพิธานั้นเป็นชื่อของอะไรตัวตัวปฏิสัมพิธาคืออะไรคือปัญญาปฏิสัมพิธามัจ ก, ก็คือทางแห่งปัญญาเป็นเครื่องแตกฉานตัวปัญญานั่นแหละแตกฉานเรียกว่าปฏิสัมพิธา คือสัพ์แทนใช้คําว่าปัญญาเนี่ยนะแม้แต่ปฏิสัมพิทาก็เป็นชื่อของปัญญาเพราปัญญานี่กว้างขวางมากปฏิสัมพิทามักก็คือทางแห่งปัญญาแต่เป็นปัญญาที่แยกแยะประเภทประเภทได้ประเภทแห่งเหตุประเภทแห่งผลนิรุธและปฏิพานปัญญาที่กําหนดรู้อัฏฐะเรียกว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาปัญญาที่รอบรู้ใน ธรรมะคือปัจจัยเรียกว่าธรรมะปฏิสัมพิทาสามารถที่เอาปัญญาที่สามารถเอาอัฏฐะและธรรมะมาแสดงมาประกาศเป็นนิโรติ ป, ปฏิสัมพิทาปัญญาที่รอบรู้ในความรู้ทั้งสามคือแตกฉานในปัญญาอีกครั้งเรียกว่าปฏิทานะปฏิสัมพิทาคัมภีร์ปฏิสัมพิธามักเนี่ ย, เ, ยเป็นหนังสือหรือเป็นคัมภีร์ที่ภาษาริบุตร เรียบเรียงเพื่อให้ผู้ศึกษาเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นทระอาิยาบุคคลแล้วจะเชี่ยวชาญในเรื่องปฏิสัมพิทาถ้าเป็นทระอรารย์นะถ้าเป็นปุถุชนทั้งหลายมาเรียนปฏิสัมพิทาก็เป็นบุญเป็นวาสนาต่อไปที่จะให้บรรลุปฏิสัมพิทาในอนาคตถ้าบรรลุก็จะพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาอันผู้ที่ตรัสรู้ธรรมพร้อมทั้งปฏิสัมพิทาเนี่ยนะก็ สามารถที่จะสงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้อื่นได้มากเพราะว่าเป็นผู้ไม่จนด้วยความรู้ความสามารถเนี่ยในปฏิสัมพิทานเนี่ยนะพระเถ ร, ระเถ ร, รีที่แตกฉาดในปฏิสัมพิทายัางสมัยพุทธกาลพระพิสุก็คือพระมหาโกธิตะเนี่ยนะเป็นเลิศทางนี้เลยพระมหาโกติตะนี้เป็นผู้ที่สอบถามไต่ถามหรือคาถามคำตอบของท่านเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องปัญญาทั้งนั้นเลย หรือถ้าเป็นภิกษุณีก็ใครนะภิกษุณีนะภิกษุณีก็ทนะ ร, รมัทินาเถรีทำมัทินนาเถรีนี่เก่งก็พระประทกลุ่มเวทภละทั้งหลายในปฏิสัมพิธามักคัมภีร์ที่เป็นแนวทางแห่งปฏิสัมพิทาเอามีอยู่สามวคกใหญ่ๆวักมีสิบเรื่องวักหนึ่งมีสิบเรื่องมีอยู่สามวักวักแรกเรียกว่า อะไรย า, ยานนาณกตฐานะเป็นมหาวัตนะนะกลุ่มยานนาคาก็มีสิบเรื่อง ช, นะชุดที่สองเป็นกลุ่มอะไรเนี่ยไม่ใช่เล่มนี้นะในบรรดาสามสิบเรื่องนะนี้เรื่องเดียวเล่มนี้ยมีอยู่เรื่องเดียวในสามสิบเรื่องนะแต่ว่าเล่มต่อไปเล่มต่อจากเล่มนี้มีสามสิบเก้าเรื่องแต่เล็กกว่าเล่มนี้นะเพราะฉะนั้นถ้ารู้เรื่องนี้เล่มนี้เรื่องเดียวนะโออีกสัยี่สิบเก้าเรื่องไม่ใช่ปัญหาเลยสบายมาก ยางยานักถาเนี่ยหนึ่งในสิบสิบเรื่องนะทเรียกว่าเรื่องแรกคือยานักถายานักถาเนี่ยเฉพาะยานมีอยู่เจ็ดสิบสามยานเานะเจ็ดสิบสามยานนะเจ็ดสิบสามยานเนี่ยถือว่าเป็นของภาษาวกหกสิบเจ็ดอีกหกยานนี้เป็นของอาสาธารณะเฉพาะกับพระพุทธเจ้าเรียกว่าอาสาธารณะยานหกส่วนที่เหลือนี้ก็ ตามสมควรแก่บุญของพระสาวกทั้งหลายสาวกผู้มีบุญมากมีปัญญามากก็แตกฉานญานมากทีนี้ในบรรดาญาณทั้งหลายเนี่ยนะเหตุผลที่ท่านยกเรื่องญาณมาเป็นลำดับแรกเพราะญาณนะถือว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาในศาสนานี้ข้อปฏิบัติสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติที่ปฏิบัติด้วยปัญญาคือมีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจายอย่างถูกต้อง นะความความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถือว่าเป็นข้อปฏิบัติเลยแหละเป็นมันชฌิมาปฏิปทาเพราะญาณะเนี่ยจะไม่เอียงไปในกาลมสุขาลิกานุโยคญาณะไม่เอียงไปในอัตติกิรมันานุโยคเป็นมันชฌิมาปฏิปทาแล้วก็ปัญญาเนี่ยจะไม่เอียงไปหาอุเฉททิฏฐิไม่เอียงไปในสัสตทิฏฐิเนี่ยนะทีนี้ถ้ามีปัญญาสักอย่างเดียวนะถ้ามีสัมมาทิฏฐิ คือปัญญาแล้วสัมมาสังกปะจากไปไหนใช่ไหมสัมมาสังกปะก็มาเกื้อกูลต่อสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็เกื้อกูลต่อสัมมาสังกปะผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีญาณมีปัญญาสามารถที่จะแยกแยะในกุศลอกุศลได้อย่างดีถ้าไม่มีสัมไม่มีสัมมาทิฏฐินะจะแยกแยะนิจฉามิฏฐสัมมามิฏฐไม่ได้เลยนี่ในบรรดายานทั้งหลายเนี่ย ของเราเราท่านท่านทั้งหลายถ้าขึ้นต้นด้วยญาณนะก็ขึ้นด้วยปัญญาก่อนปัญญาประเภทฟังเพราะว่าให้คิดเอาเองเกิดเองนี่คงไม่ใช่ฐานะใช่ไหมวิสัยของผู้ที่จะคิดเองเข้าใจพระธรรมเองมีปัญญาขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องให้คนสอนมีอยู่สองท่านคือพระพุทธเจ้ากับพระประเจ ก, กับพระุทธเจ้าในชาติสุดท้ายนะชาติสุดท้ายนี่ไม่ต้องมีคนสอน เพราะท่านเป็นผู้ที่มีบารมีเต็มแล้วส่วนบุคคลที่เหลือเหลือกว่านั้นน่ะนะก็ต้องอาศัยการฟังเพราะฉะนั้นสุตะมยญาณถือว่าเป็นญาณเบื้องต้นญาณเบื้องแรกที่มีความสําคัญมากทีนี้คำว่าสุตะมยญาณเ น, นี่ยแค่ไหนเรียกว่าสุตมยญาณยาสุตะมยญาณ น, นั้นท่าบอกว่าโสตาวะทะเนปัญญาสุตะมเยยานังปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้ว ปัญญาที่ทรงจำนะทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วชื่อว่าสุตมยะยานจําไม่จําอะไรเอาไหมถ้าจําแล้วเออเนี่ยสุตตมยะยานจําได้เยอะจำว่าอย่างไรเพราะในหน้าหนึ่งร้อยหกสิบห้าหรือในเอกสารอภินญญานิเทศก็เห็นได้นะดูในเอกสารอภินญญานิเทศหน้าหนึ่งก็มีปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วว่าธรรมเหล่านี้ควรรู้ยิ่ง อันนี้ก็ปัญญานี้เรียกว่าสุตม ย, ยายนปัญญาในการทรงจําธรรมที่ได้ฟังมาว่าธรรมเหล่านี้ควรกําหนดรู้ควรละควรเจริญควรทําให้แจ้งอันนี้ห้าชุดนี้เป็นชุดที่ใช้บ่อยมากในพระไตรปิฎกอนะอภินญยธรรมปริญญยธรรมปหาตปฏธรรมสัจจิกาตปฏธรรมและภาเวตปธรรมเนี่ยนะห้าห้าประการนี้สําคัญมาก รู้ยิ่งเนี่ยควรวงเล็บหน่อยนะว่าอภินยยะอภินยยะกำหนดรู้คือปริญยยะควรละปะหาตภะควรเจริญควรเจริญภาเวตภะควรทำให้แจ้งสัจชาตภาภะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งชุดชุดนี้สำคัญมากว่าถ้าใครเรียนพุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยจะเจอตรงนี้ก่อนลนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องด้วยพระองค์เองซึ่ง ธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งพระองค์ก็รู้ยิ่งแล้วใช่ไหมธรรมะที่ควรกําหนดรู้พระองค์ก็กําหนดรู้แล้วธรรมะที่ควรละพระองค์ก็ละแล้วธรรมะที่ควรเจริญพระองค์ก็เจริญแล้วธรรมะที่ควรทําให้แจ้งพระองค์ก็ทําให้แจ้งแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นพระพุทธเจ้าอนะเวลาเราไปไหว้พระเจดีย์เป็นต้นก็ระลึกถึงส่วนนี้ด้วยก็ดีนะว่าทวนอีกครั้งหนึ่งนะสิ่งที่ควรรู้ยิ่งพระองค์รู้ยิ่งแล้วสิ่งที่ควรกําหนดรู้ พระองค์กำหนดรู้แล้วสิ่งที่ควรละพระองค์ก็ละแล้วสิ่งที่ควรเจริญพระองค์ก็เจริญแล้วสิ่งที่ควรทําให้แจ้งพระองค์ก็ทําให้แจ้งแล้วอ่นะเรียนปฏิสัมพัธ์ทาเจริญพุทธคุณเป็นก็ยังดีนะเพราะว่าถ้าเอาเราไปวัดทุกเรื่องนะเดี๋ยวจะเลิกเรียนกันหมดคนนี่แปลกนะจะชอบเอาตัวเองไปวัดกับทุกเรื่องเลยนะเอาตัวเองเป็นมาตรฐานสัดส่วนใหญ่ ทีนี้ตัวเองก็ไม่รู้ตอนไหนก็ไม่รู้นะเอาตอนไหนไม่รู้เอาตอนโทสะมาวัดก่อนได้ไหมไม่ได้เอาตอนมีราคะก็ไม่ได้ทั้นตัวเองจริงๆนะก็ยังไม่มีเลยแหละแต่ก็ชอบเอาไปเปรียบเพราะฉะนั้นผู้ที่เรียนก็ทำส่วนใหญ่ที่เรียนไม่ค่อยตลอดสายก็เอาตัวเองไปเปรียบกับทุกเรื่อง<ม> น, น, นะเพรา ะ, ะเราเรียนตรงนี้เห็นพุทธคุณบทว่าสัมมาสามัมพุทโธทีนี้ต่อไปธรรมะอีกเป็นชุดหนึ่งเลยนะข้อหกเจ็ดแปดเก้าก็อีกชุดหนึ่งเลย ชุดนี้เขาเรียกว่าธรรมะท i mean? Và, Review> ี่เป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อมธรรมะที่เป็นไปส่วนในส่วนแห่งความตั้งอยู่ธรรมะที่เป็นไปในส่วนแห่งความวิเศษธรรมะที่เป็นไปในส่วนแห่งการชั่แรกกิเลสที่เป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อมเรียกว่าหานะภาคยะเป็นไปในส่วนแห่งความตั้งอยู่เรียกว่าถิติภาคยะดำรงอยู่นะ ส่วนวิเศษคือดีขึ้นยิ่งขึ้นเรียกว่าวิเศษสภาวคยะและก็อยู่ในส่วนแห่งการชัมแรกกิเลสเรียกว่านิเททะพาคยะอันนี้ก็เป็นกลุ่มธรรมะอีกชุดหนึ่งนะชุดที่สองชุดที่สามนะชุดที่สามก็เกี่ยวกับอานิจจตาธิหรือไตรลักษณ์สามัญลักษณะนะว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็น อนัตตาก็คือไตรลักษณ์นะอันนี้กังทุกขังอนัตตาส่วนชุดสุดท้ายอีกสี่ข้อนะก็คืออริยสัจสี่นี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอนนะั้นปัญญาที่ทรงจำธรรมะทั้งสิบหกหัวข้อที่กล่าวไปเรียกว่าสุตตมยยยานนั้นผู้ที่ฟังมาแล้วควรจะกาหนดนนสิบหกหัวข้อ อันนี้จำสิบหกหัวข้อหัวข้อก็ยังดีแบ่งเป็นชุดนะจําเป็นชุดมีอยู่สี่ชุดด้วยกันชุดแรกมีอยู่ห้าข้อชุดที่สองสี่ข้อชุดที่สามสามข้อชุดที่สี่สี่ข้อตัวเลขเนี่จําไม่ยากอนะถ้าคิดว่าเบอร์โทรศัพท์ก็พอจําได้ห้าป่ะ น, นะห้าเนี่ยห้าหนึ่งอภินัยธรรมสองปรินยยธรรมสา ม, สาม ปหาตปรธรรมสี่ภาเวตปรธรรมห้าสัจจิกาตปรธรรมทีนี้ก็กลุ่มอีกชุดหนึ่งที่เรียกว่าหาณภาคยะเป็นต้นคือหนึ่งหาณพาคยะสองเทติภาคยะสามวิเศษาภาคยะสี่นิเพทภาคยะส่วนต่อไปอีกก็สามข้อก็เกี่ยวกับไตร ล, ลักษณ์ใช่ไหมอันนี้จังทุกขังอนัตตา สี่ข้อสุดท้ายก็อริยสัจสี่เนี่ยนะก็จําได้กันอยู่แล้วท่านผู้ที่ฟังแล้วทรงจําไม่ได้คือหัวพระธรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นธรรมที่เราควรทรงจําเพราะว่าถ้าเราทรงจําสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เราปฏิบัติเราก็ไม่รู้จะบรรลุอะไรอีกเหมือนกันใช่ไหมสมมติท่าเราฟังแล้วเราไม่รู้เลยว่าอะไรควรรู้ยิ่งควรกําหนดรู้ควรละควรเจริญควรทําให้แจ้งแล้วเราปรารถนาบรรลุอะไร เราก็จะไม่รู้ในสิ่งที่เราต้องการจะบรรลุแล้วเราจเจริญกุศลนะถ้าไม่รู้ว่านี้ส่วนแห่งความเสื่อมนี้ส่วนแห่งความดํารงอยู่นี้ส่วนแห่งความวิเศษขึ้นนี้ส่วนที่เป็นไปในการชํำระ ก, กิเลสกุศลเราจะพัฒนาได้อย่างไรถ้าเราไม่รอบรู้เกี่ยวกับเรื่องกุศลว่านี้เสื่อมนะนี้ดํารงอยู่นี้จเจริญ น, นี้ทําให้ชํำระ ก, กิเลสแล้วสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็น ทำทั้งกวงเป็นอาณาตาเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็อริยาาสัจสี่นะถ้าเราเข้าใจเนี่ยการปฏิบัติธรรมของเรานะไม่พ้นหัวข้อเหล่านี้หรอก้นสิ่งที่จะฟังก็ต้องฟังในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาจะบรรลุก่อนใช่ไหมข้อหัวข้อเหล่านี้เนี่ยมีส่วนในการตรัสรู้ทั้งหมดเพราะผู้ที่บรรลุธรรมทั้งหลายเขาก็บรรลุสิ่งเหล่านี้แหละเพราะฉะนั้นจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาฟังมาเรียนมาทรงจําเอาไว้ก่อน มั้ง16หัวข้อก็คงคุ้นเคยกันมากอ่ะนะคุ้นเคยการสั่งส่วนใหญ่แล้วทั้ง16หัวข้อนั้นรายละเอียดในปฏิสัมพิธามั้งนะในหน้า166เล่มต่อนะนะอ่ะนะ166นะบัดนี้ท่านปราลรนิเทสวาระเพราะครั้งก่อนๆ น, นี่เราเรียนเฉพาะอุเทศมานี่ก็นิเทศนิเทศก็คือคำขยายโดยทิสดานกระถังโสตาวัทานีปัญญาสุตะมเยยานัง ปัญญาในการทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วชื่อว่าโสตะมยญาณเนี่ยคืออย่างไรที่ว่าฟังแล้วทรงจาไว้ได้ฟังแล้วจำอะไรมันเป็นยังไงปราคำถามนี้ก็เพื่อจะแสดงธรรมะทั้งหลายที่รวบรวมไว้ด้วยอุเทศตามที่ยกขึ้นแสดงแล้วเป็นประเภทประเภทไปคือเอาอุเทศนั่นแหละมาตั้งเป็นคำถามจะได้ขยายได้ ในนิเทศนั้นคําใดที่ท่านกล่าวไว้ว่าสโสตาวาทาเนปัญญาสุตตมเยยานังเนี่ยปัญญาในการทรงจำทำที่ได้ฟังมาแล้วชื่อว่าสุตาายายาตะเมยญาณดังนี้คํานี้ท่านถามเพื่อจะตอบด้วยตนเองท่านไม่ได้ถามให้เราตอบรับนั่นะนะท่านท่านถามเพื่อท่านจะตอบเองลักษณะคําถามในพระไตรปิฎกโดยทั่วๆไปแล้วมีอยู่ห้าประเภทนะนะคือถามเพื่อ เพื่อจะส่องความที่ยังไม่เห็นเช่นผู้ที่ไม่มีความรู้ใช่ไหมก็ถามเพื่อความรู้เนี่ยนะทิ่ถะสังสันนาปุจ ช, ชาก็ถามเพื่อจะเทียบเคียงในสิ่งที่เห็นแล้วสวิมติวิ ม, ต, วมติเฉทนาปุจ ช, ชาก็ถามเพื่อตัดความสงสัยสี่อนุมติปุจ ช, ชาก็ถามเพื่อสอบสวนความรู้ห้ากเทตุกรรมมัตาปุ ช, ชาก็ถามเพื่อจะตอบเอง